ธรรมะนี้เป็นประโยชน์กับจิตใจมากถ้าเราไม่มีธรรมะนี้ใจเราไม่มีที่พึ่งเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงแทนที่จะดับความทุกข์กลับไปสร้างความทุกข์เพิ่มมากขึ้นความหลงความไม่รู้ วิธีการดับทุกข์ที่แท้จริงนั่เลยไปสร้างความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นแทนที่จะหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรก็กลับไปทำตามสาเหตุของความทุกข์เอาทุกข์เลยกลับมีเพิ่มมากขึ้น เป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยยยอยากจะหายยิ่งอยากจะหายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เราทาให้หายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ความทุกข์ใจน้มันเกิดจากความอยากให้โครคภัยไข้เจ็บหายไม่อยากให้ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่เคยศึกษาความจริง ของร่างกายว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นธรรมดาของร่างกายเป็นเงาตามตัวร่างกายมาก็มีโรคกิดตัวมาสามชนิดด้วยกันในร่างกายนี้เป็นด้วยกันทุกคนมีอยู่สามชนิดชนิดแรกก็คือเป็นแล้วก็หายเองจะรักษาหรือไม่รักษามันก็หายเอง ชนิดที่สองเป็นแล้วถ้ารักษาก็หายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายชนิดที่สามเป็นแล้วจะรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายนี่คือโรคของร่างกายของคนเราทุกคนเป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่พวกเรามองข้ามไป ไม่คิดถึงมันไม่ยอมรับความจริงอันนี้เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย mm. ก็จะมีความอยากให้หายอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นโรคชนิดไหนถ้าเป็นโรคชนิดแรกก็กโชคดีไปเป็นไข้หวัดเป็นปวดท้องเดี๋ยวมันก็หายเองได้ถ้าไม่มียาลดกระทางถ้าเป็นโรคชนิดที่สอง ถ้าไม่มียา ก, ก็ต้องอยู่กับโรคนั้นไปบางคนถ้ามีโรคประจำตัวหรือโรคที่เขาไม่มีปัญญาที่จะรักษาเขาก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าเขาอยากจะให้มันหายเขาก็จะมีความทุกข์ใจถ้าเขาเฉยๆรักษาไม่มีปัญญาจะรักษาก็อยู่กับมันไป เช่นเดียวกับโรคชนิดที่สามถ้ามันเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หาย<ม>ก็มีทางเลือกว่าจะรักษาหรือไม่รักษาก็ได้เหมือนกันเพราะผลก็เหมือนกันถ้าทาใจได้แล้วโรคทั้งสามชนิดนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรก็อยู่กับมันไปเพราะเราวิ่งไปหามันเอง ร่างกายนี้มันไม่ได้มาขอมาหาเราเราวิ่งไปหามันวิ่งไปหาด้วยอวิชชาปัจจยาสังขาเราเรามีอวิชชาอยู่ในใจมันก็เลยคิดปรุงแต่งหาความสุขทางร่างกายเวลาร่างกายอันเก่าตายไปมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอที่ไหนมีการตั้งคันมันก็เข้าไป ไปจับจองเป็นเจ้าของเราไปหาโรคกันไปหาความเจ็บไข้ได้ป่วยกันเองเขาไม่ได้มาหาเราใจของเราถ้าไม่มีความอยากสักอย่างเดียวแล้วมันก็จบไม่ต้องไปหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยการไปเกิดด้วยการไปหาร่างกายมาเป็นสมบัติมาเป็นตัวเราของเรา แล้วก็ต้องมาทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี่คือธรรมะที่พูะเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาเผายแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ฟังแล้วมีศรัทธามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ก็สามารถยุติการไป หาล่างกายมาเป็นกองทุกข์ได้ก็หมายถึงผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความแก่ความตายแต่ผู้ที่ไม่ได้มาเกิดนีไม่ได้ขาดทุนอย่าไปคิดว่าถ้าไม่ได้เกิดแล้วขาดทุนผู้ที่ไม่เกิดเนี้ยกำไรเพราะว่าไม่ต้องมาแบกกองทุกนั่นเอง ผู้ที่เกิดนี่เป็นผู้ที่ขาดทุนเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายทุกคนมีการพัดท่ากกันทุกคนผู้ที่ไม่เกิดจึงเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์ทุกยังมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นระดใดที่ยังมีการเกิดอยู่ระดับนั้นก็ยังมีความทุกข์ ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับการเกิดเวลาเกิดออกมาจากท้องแม่ก็ทำไงร้องไห้ลนะนั่นก็ทุกข์แล้วอยู่ในคันสบายอยู่ในคันนี้นอนหลับสบายมีอาหารไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องอะไรมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายผ่านทางสายสายเสืออยู่ในคันนี้สบายมาก แต่พอออกมาปั๊บสิ่งแรกก็ต้องเลาะก็ต้องหายใจมาสัมผัสกับอากาศที่ที่ที่แตกต่างจากในคันก็ร้องกันเกิดท่านหนึ่งวาเกิดเป็นทุกข์แก่ก็ร้องกันเวลาแก่ก็ร้องว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เมือ่อยเวลาเจ็บไข้ได้สวยก็ร้องกัน เช้ามีคนหนึ่งมาใส่บาทหน้าตาไม่ไ ม, ไม่ยิ้มแย้มเหมือนตามปกติถามว่าเป็นไงบอกไม่สบายหน้าตานี่เบึ้งตึงยิ้มก็ฝืนยิ้มในอารมณ์ของจิตทุกคนอยากจะเบิกบานอยากจะสดใสสดชื่น แต่พอร่างกายเจ็บสดชื่นไม่ออกเบิกบานไม่ออกเพราะความอยากถ้ามันมีความอยากก็ใจก็ยังเบิกบานได้สดชื่นได้ถ้าใจไม่ไประยุทธ์ไปติดกับร่างกายไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายหายใจก็สดชื่นเบิกบานได้ตามปะกะติ ร่างกายเมื่อจะเป็นของกายแม้แต่ของพระพุทธเจ้าก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตานที่พระเจ้าทรงบอกให้พระอานนท์ให้ปูผ้าให้พระอง์ประทับท่าทาคดเหนื่อยดัง น, นั้นก็ไม่ใช่เป็นพระไทยของพระพุทธเจ้าที่เหนื่อยแต่เป็นร่างกายสารีละร่างกายที่มันเหนื่อยเดินทางมาก็เหนื่อยก็อยากจะนอนพัก พระทัยของพระองค์ไม่ได้เหนื่อยไปกับร่างกายดังนั้นเราคนที่จะเห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพยายามป้อนพระธรรมนี้ให้กับใจของเราอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นเหมือนทั้งอาหารเป็นเหมือนทั้งยาเป็นเหมือนทั้งที่หลบภัยที่อยู่อาศัยเป็น เหมือนเสื้อผ้าอภอนผปกปิดร่างกาย ร, รักษาร่างก า, ใ ย, ง า, กายให้สวยงามรักษาใจให้สวยงามการฟังธรรมเป็นการจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งการเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังกลมุตตังการฟังธรรมตามการตามเวลาอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งก็มีวันธรรมะสวรรวันฟังธรรม ก็คือวันพระอย่างน้อยชาวพุทธเรานนี้ขั้นต่ำก็ต้องฟังเทศกันอย่างน้อยวันละครั้งถ้าฟังได้ทุกวันก็ยิ่งดีฟังแล้วมันมีธรรมะให้แสงสว่างสอนใจให้รู้จักวิธีทำใจให้ถูกต้องให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีสมัมสมาสังกัปโปะความถูกต้องของใจการทำใจก็คือมีมากแปน่นี่ สัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประความเห็นชอบความดำริชอบสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโรนี่ก็การกระทำชอบการพูดชอบการมีอาชีพชอบสัมมาวายามุมีความเพียรชอบสัมมาสติมีความระลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิมีความตั้ง มั่นของจิตชอบถ้าเรามีมรกคแปดเราก็จะทำใจได้ทำใจให้ถูกต้องให้รับกับเหตุการณ์ ต, ต่างๆที่ใจมาประสบรับรู้ด้วยเช่นร่างกายของเราก็ดีของบุคคลต่างๆก็ดีเราจะรู้จักทำใจให้ถูกต้องการทำใจให้ถูกต้องก็คือ การยอมรับความจริงการรู้ความจริงของสิ่งที่เรามาสัมผัสรอบรู้รู้ความจริงก็คือมีสัมมาทิฏฐิเช่นรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติที่ได้มาจากพ่อแม่ทำมาจากดินน้ำลมไป มาทางอาหารอาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟเมื่อเข้ามาในร่างกายก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเริ่มต้นก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟหนึ่งสองหยดมาผสมกันเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่ก็มีเห็นเหมือนน้ำสองหยดในน้ำนั้นก็มีดินผสมอยู่ธาตุดิ น, นละเอียดธาตุลมธาตุไฟก็อยู่ในนั้นหมด พอผ ส, สมกันแล้วก็เริ่ม ก, ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาพอได้รับอาหารผ่านทางสายเลือดเลือดนี่ก็เป็นอาหารที่จะสร้างร่างกายนี้ให้เจริญเติบโตขึ้นมาพอออกมาจากคันก็เติมอาหารต่อออกมาขั้นขั้นต้นก็เติมลมก่อนเลยเหมือนรถ ออกจากอู๋ก่อนจะวิ่งได้ก็ต้องเติมนมให้ยางก่อนพอยางมีลมแล้วก็วิ่งได้เติมน้ำมันเติมนมนแล้วก็เติมน้ำมันน้ำมันก็เติมน้ำน้ำนมแล้วก็ค่อยรับประทานอาหารขึ้นในน้ำนมนก็มีธาตุดินผสมอยู่มีธาตุมีธาตุาไฟอยู่ในนั้นเพราะเวลาเข้าไปในร่างกายแล้ว ก็จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาทำให้ร่างกายอบอุ่นเวลาได้รับประทานอาหารในร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟะเะริญเติบโตด้วยดินน้ำลมไฟและเมื่อถึงขั้นที่จะอยู่ต่อไปไม่ได้ก็เป็นการแยกทางของดินน้ำลมไฟ เวลาตายอะไรไปความร้อนก็ธาตุไฟก็ไปร่างกายก็เย็นธาตลมก็ไหลหอยออกมากลิ่นที่เราได้ดมที่ได้ได้ดมนี่ก็เป็นกลิ่นเป็นธาตุธาตุลมธาตุน้ำก็ไหลออกมาถ้าทิ้งไว้ไม่ได้ไปทำชาปนากิจต่อไปก็แห้งกรอบผุป่วยกลายเป็นดินไป ถ้าเอาไปเผาไฟก็กลายเป็นขี้เถ้าเป็นเศษกระดูกกระดูก ก, ก, ก็เป็นธาตุดินนี่เองขี้เถ้าก็เป็นธาตุดนินธาตุน้ําก็ถูกไฟเผาละเหยไปหมดธาตุไฟก็ละลายหายจางหายออกไปหมไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่นอกจากความจําของในใจของผู้อื่น ที่ยังจดจำสิริร่างกายของบุคคลนั้นอยู่แต่บุคคลนั้นไม่มีแล้วเป็นสมมุติพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระพุทธโคโดมไม่มีแล้วมีแต่ธาตุมีแต่พระธาตุมีแต่อธติธาตุแต่ว่าเป็นของใครก็ได้ไม่เป็นของใครก็ได้ความจริงมันไม่ได้มีเจ้าของ โดยพระธาตุเองไม่ได้บอกว่าเป็นพระธาตุของใครเหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นต้นไม้ของใครก้อนหินก็ไม่ได้บอกว่าเป็นก้อนหินของใครมันไม่มีเจ้าของจิตที่มาหลงมายึดติดต่างหากที่ไปใบไม้เอาว่าเป็นของเราเป็นตัวเราอันนี้เป็นความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิก็จะมีความคิดผิด คิดไปในทางสมุทยัยคิดไปในทางอุปทานความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเป็นร่างกายของเราก็อยากจะให้มันสุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยให้อยู่ไปนานๆถ้าเป็นร่างกายของคนอื่นก็ไม่สนใจใครจะอยู่ใครจะตายก็ไม่สําคัญเพราะเราไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราเป็นของเรา เขาอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ตายไปก็เรื่องของเขาดังเราต้องแก้มิจฉาทิฏฐิว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรานี้ให้เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยมมีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะนาทีเวลานาทีแต่มันการเปลี่ยนแปลงมันช้าเราเลยจึงมองไม่เห็น ทุกวันที่เราสองหน้าดูกระจกนี่เราจะไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนไปอย่างเมื่อวานนี้จากเมื่อเดือนที่แล้วจากเมื่อปีก่อนจากเมื่อสิบปีก่อนถ้าเราถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วมาเปิดดูที่หลังดูภาพที่ถ่ายเมื่อสิบปีที่แล้วกับภาพในวันนี้จะรู้เลยว่าโอ้เปลี่ยนไปเยอะแต่มันเปลี่ยนทุกเวลานาทีทุกขณะ ค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนต้นไม้มันค่อยๆโตขึ้นไปทีละนิดเทียนหน่อยต้นไม้ก็ค่อยๆเสือมไปทีละนิดเทียนหน่อยหลังต้นอย่างนี้ก็ตายแล้วเย็ยนต้นอยูแ่แต่ตายแล้วนี่คือสัมมาทิฏฐิที่พวกเราคนที่จะสร้างขึ้นมาให้ได้เป็นตัวสําคัญที่สุดเพราะเป็นตัวที่จะมาแก้มิจฉาทิฏฐิคือวิชาปัจจยาสังขารนี่เอง อวิชชานี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิอวิชชาคือความไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นอริยสัจสีไม่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธเมื่อไม่เห็นก็เลยเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราของเรากลับไปเห็นว่าเป็นตัวเราของเราก็เกิดอุปทาน ยึดติดเกิดความอยากเกิดความทุกข์ไปกับร่างกายไปทุกขกับมันทำไมมันมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครห้ามมันได้แต่เราห้ามใจเราได้ห้ามใจเราให้ไม่ทุกข์ได้ไม่มีอะไรเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เท่ากันสาหรับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ ผู้ที่มีสัมมาสังกโปปะหรือไม่คิดไปในทางสมุทัยคิดไปในทางความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดและอยากให้ร่างกายหายจะคิดว่าเออจะเป็นยังไงก็เป็นไปดูแลรักษาได้ก็รักษากไปหายก็หายไม่หายก็ต้องปล่อยให้มันไปตามตามธรรมชาติของมันต้องเป็นเรื่องกันทุกคนทุกร่างกาย ต่างกันตรงที่เวลาเท่านั้นพวกเราถือบัตรคิวกัน อ, อยู่แต่เราไม่รู้ว่าเบอร์อะไรเท่านั้นบางคนเบอร์สิบบางคนเบอร์ร้อยบางคนเบอร์หนึ่งคนที่ชอบชอบถูกนวันที่หนึ่งนี้กับไม่ชอบเบอร์หนึ่งแบบนี้แต่เราไม่รู้เ่าตอนนี้เราถือเบอร์อะไรกันลำดับใครนี้ใครจะไปก่อนไปหลังนี้ไม่รู้ แต่เวลามันจะไปยยนี่มันปุ๊บปั๊บมันไปเพราะฉะนั้นพยายามสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาด้วยการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังคำสอนของพระอริยสงฆ์อย่าไปฟังคำสอนของผู้ที่มีวิชชาทิฏฐิ สอนให้อยากอยู่เป็นนานสอนให้นั่าให้รวยสอนนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนให้มองความจริงมองความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กษัตริย์ความจริงของทุกข์ก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายให้รู้แล้วนี่คือความทุกข์นี่แหละคือความจริงเพื่อจะได้ไม่เกิดความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อยากรวยอยากอยู่ไปนานๆอยากมีความสุขมากๆอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหาความสุขอะไรกับความทุกข์มันไม่ได้หรอกความทุกข์ย่อมเป็นความทุกข์ถ้าอยากจะหาความสุขก็ให้หาความสุขจากความสงบของใจอันนั้นแหละคือความสุขถ้าจะมาหาความสุขจากร่างกายแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิหาอย่างไงก็ไม่มีวันที่จะเจอ เพราะมันเป็นกองทุกข์งั้นอย่าไปหาในร่างกายปล่อยมันไปเข้ามาหาความสุขในใจครสามมาวายามโอสามมาสติสามมาสมาธิอันนี้แหละเป็นตัวที่จะนําพาเราเข้าไปสู่ความสงบความสุขที่แท้จริงสามมาวายโยก็คือความเพียรเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิปีกวิเวกเจริญสติ รับประทานอาหารพอประมาณสำรวมอินทรีย์ตาหูจหมูกเิ่นกายไม่ดูไม่ฟังไม่หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจหมูกเล้นกายให้หาความสุขจากการปีกวิเวชเจริญสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ให้คิดพุ่งสร้างให้รู้อยู่กับ เหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่น ร, รู้การเคลื่อนไหวของร่างกายให้อยู่กับร่างกายหยุดความคิดให้ได้ก่อนก่อนที่จะให้คิดไปในทางสมมาทิฏฐิได้ต้องหยุดความคิดที่ไปในทางมิจฉาทิฏฐิก่อนความคิดของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอย่างพวกเราอยู่นี่ 99% จะคิดไปในทางมิจฉาทิฏฐิ คิดไปในทางสุขขังอัตตานิจจังเห็นอะไรก็ว่าเที่ยงเห็นอะไรก็ว่าสุขเห็นอะไรก็ว่าเป็นเราเป็นของเราดันั้นเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ก่อนหยุดได้แล้วแล้วก็ทำให้ใจให้นิ่งให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งก่อนให้เป็นอุบเบกขาก่อนให้ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบก่อน ถ้าได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบรลางทีนี้ก็จะปล่อยความสุขที่เป็นความทุกข์ได้ปล่อยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ปล่อยความสุขทางร่างกายได้ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องมีร่างกายก็มีความสุขและเป็นความสุขที่เลิศกว่าที่ดีกว่าลดแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงก็ คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่ความสุขที่เกิดจากทางร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเวลาได้สัมผัสก็มีความสุขแต่เวลาร่างกายมันไม่สบายนี้ไม่สุขเห็นอะไรก็ไม่สุขกินอะไรก็ไม่สุขดูอะไรก็ไม่สุขฟังอะไรก็ไม่สุขยันเราต้อง สร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นภายในใจเราให้ได้ก็ขั้นต้นก็จะเป็นได้แบบชั่วคราวได้ในขณะที่จิตสงบรวมตัวอยู่ในสมาธิพอออกมาแล้วกิเลส ก, ก็เริ่มออกมาลากให้ไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์ความสุขที่ได้จากความสงบก็หายไปถ้าอยากจะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบก็ต้องเจริญปัญญาอยู่เนือง ค อ, คอยเตือนใจทุกครั้งที่เกิดความอยากให้ต่อต้านความอยากที่จะไปหาความสุขในรูปแบบต่างๆในรูปแบบอื่นนอกจากในรูปแบบของความสกุกถ้ามีปัญญาแนละ้วมันจะต้านได้เวลาอยากจะไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเดินอยากจะไปรับประทานมันก็ตัดได้มันจะเตือนทันทีว่าเป็นทุกข์เป็นความสุขเดียวเดียว เป็นยาขมเครือบน้ำตาลเอาความสุขที่ได้จากการนั่งทำใจให้สงบดีก <c oughs> ว่าหรือเอาความสุขที่ได้จากการหยุดความอยากถ้าเรามีความสงบแล้วเวลาเกิดความอยากนี้ความสงบนั้นจะหายไปแต่พอเราหยุดความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนมา <c oughs> ไม่ต้องนั่งสมาธิมันก็จะกลับคืนมาได้ เพราะความสงบที่มหายไปมันหายไปเพราะเกิดจากความอยากความคิดปรุงแต่งไปในทางสมุทยนั่นเองพอเราหยุดความคิดปรุงแต่งไปในทางสมุทยได้จิตก็กลับเข้าสู่ความสงบเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิพอทุกครั้งที่ตัดความอยากได้ความความความสงบก็จะกลับคืนมาจนในที่สุดก็ไม่มีความอยากเลย ความสงบก็จะตั้งอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเดินยืนนั่งนอนทุกอิเลียบทไม่ว่าเตืนเน่นหรือลับมันก็จะสงบของมันไปอย่างนั้นเวลาคิดปุงแต่งมันก็ไม่ได้คิดไปในทางสมบูรณ์คิดยังไงก็ไม่เป็นปัญหาเลยสำหรับผู้ที่หยุดความอยากได้แล้ว นี่แหละเป็นคุณค่าคุณประโยชน์ของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราควรที่จะขวนขวายศึกษากันฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆทำฟังบ่อยๆฟังไปเถิดฟังซ้าไปแต่ละครั้งที่เราฟังนี้จะได้ความรู้ขึ้นมาไม่เหมือนกันเพราะเวลาเราฟังนี้เราไม่ได้ฟังร้อยเปอร์เซ็นฟังไปนิจจัยของเรา บางทีไม่ได้จดจอ่อกับการฟังตลอดเวลาเวลาได้เผลอปั๊เบเผลอไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ปั๊บสิ่งที่เราฟังอยู่นี้ก็จะเข้าหูซ้ายออกหูขวาจะไม่เข้าใจพอคราวหน้ามาฟังใหม่พอดีช่วงที่เคยเคยเผลอแต่ช่วงนั้นไม่เผลอพอฟังฟังใหม่ก็เลยแปลกใจว้าเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ยินอย่างนี้เนี่ยทำไมคราวนี้ได้ยิน เพราะว่าเท่านี้มันฟังอยู่คนดี้เห็นฟังไเถอทธรรมะเนี่ยฟังไปกี่ครั้งกี่หนก็จาจะได้ประโยชน์ดังในอานิสงส์ของการฟังธรรมเลว่าธรรมที่ได้ฟังอยู่แล้วเมื่อฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปส่วนธรรมที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังพอได้ฟังก็ก็จะได้ฟังของที่เราไม่รู้มาก่อน จะทําให้กระจัดความสงสัยได้ทําให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบทําให้จิตสงบบางคนนี้นั่งสมาธิไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยการฟังธรรมไปก็ารฟังธรรมนี้ก็เป็นการนั่งสมาธิไปในตัวเพราะเวลาฟังใจของเราก็ต้องมีสติจดจ่ออยู่กับการฟังถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ใจยัง ฟังเสียงอยู่เสียงนั้นก็จะกล่อมให้ใจเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ถ้าฟังแล้วพิจารณาตามได้พิจารณาตามเหตุตามผลได้ก็จะเกิดปัญญาเกิดสา ม, มาทิฏฐิขึ้นมาแต่การฟังธรรมอย่างเดียวถ้าเรายังไม่มีธรรมะที่เรียกว่าพระห้าครบบริบูรณ์ ฟังไปก็ยังไม่สามารถจะบรรลุได้แต่ผู้ที่มีพระห้าแล้วมีศรัทธามีวิรยิยะมีสติมีสมาธิแล้วเพียงแต่ขาดปัญญาเวลาฟังธรรมนี้จะบรรลุได้เป็นพระปัญจวัคคีย์ท่านไม่ต้องไปทำความเพียรเหมือนพวกเราเพราะท่านทามาอย่างโชคโชนแล้วสติท่านก็มีพบบริบูรณ์ สมาธิท่านก็มีครบบริบูรณ์ความเพียรก็มีพร้อมศรัท ธ, ธาก็มีพร้อมขาดอยู่ที่ปัญญาพอพระเจ้าแสดงพระอริยสัจสีให้ฟังเท่นั้นเงก็บรรลุทำได้เลยพวกเราถ้าฟังทำแล้วยังไม่บรรลุก็แสดงว่าศรัท ธ, ธายังไม่แ ก, ก่กล้าความเพียรยังไม่แ ก, ก่กล้าสติยังไม่มีหรือมีน้อย สมาธิยังไม่มีฟังไปล้านครั้งก็ไม่มีวันที่จะบรรลุได้การฟังธรรมก็ฟังเพื่อจะปลูกให้เราเกิดศรัท ธ, ธาขึ้นมาเกิดวิริยะความอสาหะที่จะไปเจริญสติที่จะไปนั่งสมาธิที่จะพิจารณาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังมานี่คือกุญแจของการสู่การบรรลุธรรม อยู่ที่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวสการฟังธรรมก็เป็นปริยัติธรรมเป็นการศึกษาการปฏิบัติก็คือเอาธรรมะที่เราได้ศึกษามาปฏิบัติมาชำระกายว่าใจของเราให้สะอาดลอยสุดมาเจริญสติสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์แล้วปฏิเวสคือทําขั้นต่างๆ ขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ก็จะเป็นผลที่ตามมาเป็นหลักตายตัวไม่มีใครที่จะมาล้มล้างความจริงอันนี้ได้ถ้ามีปริยัติมีปฏิบัติปฏิเวก็ต้องเป็นผลที่ตามมาถ้าไม่มีปริยัติไม่มีปฏิบัติปฏิเวก็ไม่มีวันที่จะตามมาขอให้มีพระพุทธเจ้า นั่งอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราฟังฟังธรรมโดยใจไม่ได้ตั้งใจฟังฟังแบบเข้าหูซ้ายออกหูขวาฟัางไปก็เหมือนทัพพีในหม้ อ, อกแกงไม่รู้รสของแกงเหมือนที่พระเจ้าทรงตรัสว่าต่อให้อยู่เกาะเกาะเกาะติดอยู่ชายท่าเหลืงแต่ถ้าไม่มีสติไม่สนใจศึกษา ไม่สนใจปฏิบัติก็เหมือนอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยแต่ถ้าอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยแต่มีสติสนใจศึกษาพระธรรมคาสอนสนใจปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ในใจของผู้ที่บรรลุธรรมนั่นเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ที่เห็นตะคตะถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมธรรมที่ต้องเห็นก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธนะต้องเห็นตายรักตายรักก็มีทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะว่ามันอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาที่ทุกข์ก็เพราะว่าไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตา ถ้าเห็นนิจจังอนัตตาก็จะไม่ทุกข์เพราะจะปล่อยวางแต่เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นอนัตตาก็จะปล่อยวางและไม่ยึดจะคิดว่าเป็นเหมือนร่างกายที่ยืนก็เป็นเหมือนของที่ยืมผขมาเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปใจก็เวลาคืนเจ้าของก็จะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจ เวลาเราไปยืมของใครเข้ามานี้เวลาถึงเวลาต้องคืนเขาเราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจที่จะคืนเขาไปอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจที่จะคืนร่างกายสู่สภาพเดิมไปได้ตลอดเวลาเวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจนี่คือคุณค่าของพระธรรมคาสอน เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จ ะ, สะเสด็จเสด็จปาลินิพพานไปว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี้แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปพระองค์ไม่ได้ตั้งภาษาลิบุตรไม่ได้ตั้งพระโมคคะลาเป็นภาษาสดาแทนพระองค์แต่ทรงตั้งพระธรรมวินัยนี่แหละก็คือพระธรรมคำสอน แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนี้แหละที่จะเป็นศาสดาของพวกเราถ้าเราศึกษาพระธมคําสอนก็เท่ากับเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือศึกษาคําสอนของคูบาจานก็เหมือนกับเราได้ศึกษาจากท่านโดยตรงท่านไม่ได้ไปไหนท่านอยู่ในหนังสือธรรมะอยู่ในเทปซีอยู่ในซีดีธรรมะนี่แหละโดยฟังไปสิ ารแล้วจะเหมือนกับว่าท่านกระซิบอยู่ในหูเรานี่เสียงธรรมเพื่อประชาชนฟังเลยเถแล้วจะรู้ว่าท่านไม่ได้จากเราไปสิ่งที่จากเราไปนั้นเป็นเพียงดินน้ำลมไฟแต่ธรรมะหรือตัวท่านนี้ไม่ได้จากเราไปตัวท่านยังเป็นอาจารย์เป็นศาสดาอยู่กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นถ้าเรามีธรรมแล้วเราก็จะมีที่พึ่งมีสารณะเพราะมีธรรมก็จะมีพระมีพระพุทธมีพระสงฆ์อยู่ในใจควบคู่กันไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจา้าคือเห็นตถาคตผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโน อุชูปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามิจิปติปันโนก็คือพระอริยสงศ์สีสประเภทคือพระโสดาบันจพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอนาคามิท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมมีสาระเป็นที่พึ่งแล้วพอได้ขั้นโสดาบันนี้ก็พ้นจากกระบายแล้ว แล้วก็ไม่เกินเจ็ดชาติก็พ้นจากการเวียนว่ายตายไปพอท่านพระสกิดาคามีก็เหลือเพียงชาติเดียวพอข่้นพระนาคามีก็ไม่ต้องมีร่างกายเลยตายไปสมมุติตายไปยังไม่บรรลุเป็นพระแล้วก็ไม่ต้องมาหาร่างกายมาปฏิบัติธรรมสามารถบรรลุในในในจิตได้เลยเพราะวิชาอยู่ในจิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ดังนั้นเขาให้เราให้เห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามหมั่นฟังเทศฟังธรรมหมั่นศึกษาและนําเอาไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแล้วใจของเราจะมีที่พึ่งจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเสื่อมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมทางลาบยศเสริญความเสื่อมทางรูปเสียงกลิ่นรสหรือความเสื่อมทาง ร่างกายทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารทุกอางมันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปมันจะเจริญก็ปล่อยมั น, จ เ, จมนจเจริญไปมันเป็นอนัตตาเราไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งเขาได้สั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้แต่เราสามารถสั่งให้ใจของเราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้ไม่ทุกข์กับเสื่อมกับความเสื่อมของสิ่งต่างๆได้ดันั้ก็ขอให้ พยายามศึกษาพยายามปฏิบัติไปให้มากให้ถือว่าเป็นงานของเราอย่างแท้จริงงานอย่างอื่นเป็นเพียงงานสนับสนุนเท่านั้นงานทํางานอย่างอื่นเพื่อจะได้มาส น, สนับสนุนการปฏิบัติการศึกษาของเราไม่ใช่ทํางานเพื่อเอาเงินมาสนับสนุนกิเลสตัณหาอย่างนี้เป็นการมาประหัดประหารจิตใจมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ ถ้าเราทํางานหาเงินมาเพื่อที่จะมาใช้ตามอํานาจของความโลภตามอํานาจของตัณหาความอยากอันนี้ก็เป็นความโง่เขล า, าบาปัญญาได้เงินมาแล้วก็ต้องเอาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้แหละเป็นการวิ่งเข้าหากองทุกข์กันถ้าเป็นแมงเม้าก็บินเข้ากองไฟกันเราต้อง ทำงานหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมมาบรรลุธรรมกันตัดไปเถิดความสุขทางโลกทางรูปเสียงกลิ่นรสถุทตะพมันไม่ใช่เป็นความสุขมันเหมือนแสงสว่างของของกองไฟที่แมงเม้ามักจะหลงไหลพอเห็นแสงสว่างนี้มันวินเข้าหาแล้วเดี๋ยวมันก็ตายด้วยอนานาจของความร้อนของไฟสัตว์โลกทั้งหลายก็ทุกทรมานใจกับ แสงสียเสียงนี่กับรูปเสียงกลิ่นนั้นติดกันงอมเงมเหมือนยาเสพติดอยู่ปรสศจากรูปเสียงกลิ่นลบไม่ได้แล้วก็ต้องมาทุกกับความเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นนั้นขอให้นำมา ป, ปฏิบัตินะใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ใครอยากจะได้หนังสือก็เชิญมาหยุดได้นะหนังสือธรรมาจาะจากจากภเกษุเขานะ ก็มันโอเคไหมอยากจะมีอะไรพูดไหมมีอะไรถามไหมนึกว่าพูดหมดแล้วทุงอย่างนะจะทำอย่างเดียวอย่างเดียวรุณคิดอาจารย์พูดถึงเรื่องวิญญาณที่เข้าไปฝังในท้องไหมนะคะไม่มันมีเป็นอันที่ลูกสงสัยค่ะเพราะว่า นีผู้ที่อถอดเทพมาเขาอาา่านจ้ะอ๋อคือลูกเคยคิดเอานะคะอันนี้เราก็หรือเคยได้เคยฟังมาว่าจริงๆแล้ววิญญาณนี่มันน่าจะไปไปเริ่มตั้งแต่มันมันท่านเจอตอนนี้ค่ ะ, ะทีนี้<ม>ตรงนี้เขาก็พูดไม่ชัดเขาพูดอย่างนี้ค่ะคล้ายๆว่าเข้าไปแฝงตัวอยู่แต่ว่าตัววิญญาณนั้นจะไปรัรู้ได้เมื่อเป็นสามเดือนแล้วก็เลยเกรงว่าเขาอ่านจะถอดมาผิดหรือว่า ถามไปแล้วเราเขาบอกบันทึกมามันเป็นประเด็นสําคัญเนาะตอนนี้มมตาเป็นหนังสือของท่านไงคะก็ไม่เป็นไรมันในทางเชิงปฏิบัติไม่ไม่สําคัญงั้นงั้นเย่าไปให้ไปไม่ได้สิเราไม่ใ่หนังสือของเรานเราเราก็มีคือเราก็ใส่ไปตามที่เขาว่าไปก็แล้วกันแต่ประเด็นสําคัญไม่ดีอยู่ตรงนั้นคประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเราปล่อยมันได้หรือเปล่าเรายึดมันแล้วเนี่ที่เรามาปล่อยมันได้หรือเปล่า มันไปซื้อบ้านแล้วผ่อนแล้วเขาจะยึดนี้ปล่อยให้เขายึดไปได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละจะไปซื้อตอนไหนยึดยึดตอนไหนไม่สําคัญมันสําคัญตอนปล่อยมากกว่ามันยึดมาแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วคนไหนเนี่ยร่างการนี่เรายึดมาแล้วเราปล่อยมันได้หรือเปล่าอย่าไปหลงประเด็นประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อถึงเวลามันเจ็บไขยได้ป่วยปล่อยมันได้หรือเปล่ามันจะตายเนี่ยปล่อยมันได้หรือเปล่า ก็ดูมันทำไมว่ามันไปประยึดตอนสามส่วน6บเลยเพระอ่านทุกคน่านแล้วคือไม่ง่ายเลยไม่เลยมันต้องยึดตั้งแต่วินาทีแรกเมื่อมันสามส่วนมันต้องมีสามส่วนมันถึงเกิดการปฏิสนธิได้ตอานั้นเลยถ้าเจอเขาบันทึกว่าผิดที่มันไม่สำคัญไอ้ยึดแต่มันง่ายไอ้ที่ปล่อยมันยากปล่อยได้หรือยังเนี่ยปีปีแล้ว ห้าสิบหกสิบปีแล้วปล่อยได้หรือยังเนี่ยมันยึดมาตั้งห้าสิบปีแล้วตอนนี้มาปล่อยได้หรือยังอย่าไปหลงประเด็นเพราะเรามันชอบหลงประเด็นกันดรึเปล่าชอบไปอจินไต่ไปคิดเรื่องอจินไต่ไอเรื่องมาอจินไต่ไม่อยอมคิดกันไอเรื่องง่ายๆไม่คิดกันชอไปคิดเรื่องอยากให้ปวดหัวไงนะพระเจ้าบอกอย่าไปสนใจไงนะไอคนที่ถูกลูกธนูยิงเน่ยเหมือนกันไม่ยอมให้เขา ยิ่ออกมารักษาแผลให้มันหายกลับให้ไปหาว่าคนยินเป็นใครเป็นหญิงเป็นชายเป็นชนชั้นใดอะไรไปรู้ทำไมไม่เกิดประโยชน์เขา <c oughs> ไป <c oughs> ไปตามที่เขาว่าเมื่อไหร่เก็ทำตามเข้าไปก็แล้วกันยังไม่เลยจริงๆก็เอากลับไปให้ท่านดูอีกทีดีกว่านะคะ แล้วแต่ถ้าเพาะว่ายังไม่ได้พินนมพ์นเลยต้องให้ท่านพิมพ์ให้ายืนยันกันนะครับใคยืนยันของเรื่องว่าส่งแบบไหนที่นั้น <c oughs> ใารจะของเรื่องเขายืนยันไปเขาจะว่าไงก็ว่าไปมันไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญ <c oughs> อันนี้เป็นเพียงองค์ความรู้ประกอบ <c oughs> เพื่อเราเห็นภาพการเป็นการมาการไปของร่างกายว่ามันมาได้อย่างไรเท <c oughs> ่านั้นเองแต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่การตัดตัดอุปทาน นักทหารมีดคมคมสติปัญญาสมาธิเสติปัญญาสมาธิเนี่ยที่ทำให้มีดคมตัดเชือกขาดเลยอตัดเป็นอะไรัดเฉอตัดแบบขาดไปเลยสมุดเชิอ่ะพูดยากต่อวันสุดทายแล คุณยายเพื่อนก็เสียชีวิตด้วยก็ค่ะ <c oughs> ต้องเสียกันทุกคนเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องเสียมันไม่ต้องไปเสียใจอะเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาสิ่งที่เสียก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวแทนของเราเหมือนผู้แทนของเราเนี่ยเขาตายไปเราไม่ได้ตายไปหรอกเรไม่ต้องไปเสียใจเราส่งผู้แทนเข้าสวรรค์เราส่งร่างกายมาทําหน้าที่ในโลกนี้แทนเราตัวเราอยู่ในโลกคลิดพระญาณนะ ตอนนี้งั้นตัวเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนเดี๋ยวเราก็ไปหาร่างกายมันต่อหาตัวแทนกันใหม่มาทําหน้าที่แทนต่อมันไม่มีถ้ารู้ความจริงแล้วก็ไม่รู้จะก็ไม่มีความเสียใจนะนจะให้พรนะระวังให้เดีที่สุดคือ บุญไปก็รักบุญเปลือยขาดบุญขาดอะไรก็เป็นเหมืนจะได้ได้ค่าลดไปจะได้เดินทางไปสู่สุคติได้ <c oughs> ยะถ า, าวาริวาหาปุราปาวิปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตชินังเปตานังอุปกาปฏิอิจิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จัณฑูปนาฬโสยทามริโชติระโสยทาสพภิติโยวิวาจัณฑูสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวทวันตรายุสุขีทีคาโยโกภวะาภิวาฒนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายิโนจตารโอธรรมวทานติ อาวันโสุขังาลังให้คิดไว้นะวไม่มีใครตายนะมีแต่ธาตุสี่ินน้ำลมไฟที่ที่สลายไปแต่บุคคลต่างๆไม่ได้สลายไปกับธาตุสี่ลินน้ำนมไฟบุคคลต่างๆก็ต้องไปตามบุญตามกรรมต่อไปตอนนั้นเอง อย่างเราทิ่ให้เขาจะได้รับอยู่ที่ฐานะของเขารวยนี่จนถ้าเขาจนเขาเป็นขอทานเขาก็จะรอรับวถ้าเขารวยแล้วเขาก็ไม่ต้องรอแล้วส่วนนี้ไปเขาไปเป็นเทพไปรับไปเสวยบุญของเขาทันทีได้แค่รู้ว่ามันไม่มีมรณากับเราพระสาก็อาจารย์ไม่มีมรณาว่ายังคิดถึงเขาอยู่ยังห่วงใยเขาอยู่เขาก็จะบุญเขาก็จะดีใจเพราเราได้ทำบุญเอง ต่อไปเราตายเราจะได้ไม่ต้องมารอนรับส่วนยินของคนอื่นการการการทํามีการให้เราทําบุญอยทิศนี่เป็นอุบายของนักฆ่าให้พวกเราที่ไม่ชอบทําบุญจะได้ทําบุญกันจะได้เป็นเทพเป็นบรรดาตายไปจะได้ไม่ต้องไปเป็นเปรตกันเท่านั้นแหละทำนะถ้ามีความสุขใจก็ติดใจก็ควรจะทําทไปบ่อยๆ ทำแล้วไม่ขาดทุนมีแต่กำไรเพราะของพวกนี้เราเวลาตายไปเราเอาไปไม่ได้ต่อให้มีกองเท่าภูเขามันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราแม้แต่ชิ้นเดียวแต่บุญทุกชิ้นทุกวันที่เราทํานี้เป็นประโยชน์กับเราทั้ ง, งหมดนะและประโยชน์กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วด้วยนพยายามทําไปเรื่อยๆทาทุกวันได้ยิ่งดีอาจทำให้เป็นนิสัยถ้าเราไม่มีพระเราก็เอาเงินใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้ อันนี้กับส่กับปลูกไว้พอมีเวลาไปไปวัดแล้วมีเวลาที่จะทําบุญใหญ่ที่ก็ก็เอาเงินที่เราใส่กับปลกนี้มาทําไปเดี๋ยวมันจะอ้างว่าไม่มีเงินไม่มีเวลาเราต้องเก็บเงินทําบุญไว้วันละ้อวันน้อยวันละห้าบาทสิบบาทเก็บเงินไปเรื่อยๆพอถึงวันเกิดหรือวันอะไรหรือวันสําคัญทางศาสนาหรือวันพระอยากจะไปวัดก็มีเงินทําบุญแล้วทางไม่ได้เราไม่มีเงินทําบุญ ทำให้มันติดเป็นนิสัยไปแล้ววันนี้จะสนับสนุนชีวิตของเราในอนาคตให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าไปจนถึงขั้นสูงสุดเลยเห็นุไหมร้านอยู่ที่ไหนสีราชาใช่ไหมใช่คร well ับญาติเพ po ื่อนยังไม่เคย่เชิญเพื่อนมา เพื่อนคนนี้เคยเคยแต่ว่าอืถ้านั่งสมาธิแล้วง่วงนอนอย่างนี้ค่ะก็คือว่าต้องทนนะคะลุกขึ้มาเดินก่นนั่งนานั่งตาลุกขึ้นมาเดินไม่ไปเดินที่มันน่ากลัวน่ากลัวแล้วไปนั่งที่มันน่ากลัวอที่ไหนน่ากลัวแล้วมันจะไม่ง่วงเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องอดอาหารพออาหารเกินอาหารให้น้อยๆให้มันหิวหิยมันจะได้ไม่ง่วงอ ถ้าหลงได้คิดอะคะก็ใช้สติดึงไว้พุทโธดึงอไว้สวดมนต์ไว้ต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งสตินี่ต้องฝึกทั้งทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่พยายามดึงจิตให้อยู่กับร่างกายให้อยู่กับพุทโธอย่าให้ลอยไปลอยมะพอเรามีสติแล้วเวลานั่งมันจะสงบแล้วมันจะไม่ง่วงสตินี่สําคัญมากเป็นกุญแจ ดอกสำคัญีเดียวพระพุทธ<ม>เจ้าทรงเปรียบว่าเป็นความสำคัญของสตินี้ยิ่งใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้าง<ม>เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดย่อยกับสัตว์ทุกชนิดในในป่าในโลกนี้<ม>ถ้ามีสติแล้วก็จะทำให้ทำอย่างอื่นเกิดตามมาได้<ม>สติเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลาย<ม>เป็นบุพาการีของธรรมทั้งหลาย<ม>เป็นพ่อแม่ของสมาธิเป็นพ่อแม่ของปัญญา เพราะถ้าไม่มีสติจะมาที่ปัญญาเกิดไม่ได้การบรรลุมรรคผลนิพพานก็เกิดไม่ได้นี่นสตินี้เป็นเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดปัญยาฝึกสติเจริญสติอยู่ตั้งแต่ตื่นเพิหลับเลย<ม>เปลี่ยนนิสัยใหม่นิสัยเราชอบเผลอสติชอบปล่อยให้ใจลอยไปลอยมามไม่อยู่กับเนื้อกับตัวป่านนี้เราต้องจับมันให้อยู่กับร่างกายเรา ทำอะไรก็ให้มันอยู่กับร่างกายให้รู้ว่ากําลังทําอะไรถ้ามันยังดิ้นไปคิดอยู่ก็ใช้พุทโธหนึ่งดึงกลับมาอีกเส้นหนึ่งใช้เชือกสองเส้นนผูกไว้กับร่างกายแล้วไม่อยู่ก็เอาพุทโธเส้นบริกรรมพุทโธไปในขณะที่เรากําลังทําอะไรอยู่แล้วต่อไปมันจะมีสติแล้วนั่งสมาธิจะไม่ง่วงจะสงบง่ายจะจ ะ, จะเห็นผลเลย เราได้สมาธิแล้วออกทางปัญญาก็จะตัดกิเลสได้ใหงพยายามเจริญสติอยู่ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับหายใจเข้าพุดหายใจออ ก, ออกตัวใช่ไหมคะเวลาเวลาที่เราให้ดูร่างกายว่เาเรากำลังเคลื่อนไหวากาลังทาอะไรอยู่กำลังอาบน้ำกำลังแต่งตัวกำลังแปรงฟันกาลังล้างหน้าให้เฝ้าดู งานที่เราทำอยู่มลมนี้ต้องรอเวลานั่งเฉยๆก่อน<ม>ถ้านั่งเฉยๆแล้วค่อยดูลมก<ม>จริงดูลมก็ควรจะดูลมอย่างเดียวอย่าไปดูลมเข้าพุทธออกอะไรมันยุ่งยาก<ม>ถ้ายาวพุทโธพุทโธอย่างเดียว<ม>ย่าง่ายกว่าเพราะว่าบางทีเราต้องการให้พุทโธเร็วแต่ลมมันเร็วตามไม่ได้เพราะบางทีความคิดมันเข้ามาแทรกมากม เรพุทเข้าโทออกมันก็มาคิดไม่รู้อะไรต่ออะไรนะแล้วเราก็ใช้พุทโทอย่างเดียวบริกรรมให้มันถีไปเลยพุทธโทไม่ต้องดูลมหรอไม่ต้องดูลมเลย<ม>พุทโทพุทโทให้อยู่กับพุทโทคําว่าพุทโท<ม>เพื่อที่จะสะกัดความคิดไม่ให้มันเข้ามามมถ้าไม่มีความคิดก็ดูลมเฉยๆไม่ต้องพุทธโทก็ได้ดูว่าหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก คนใหญ่จะลงไม่ติดเรื่องพูดเข้าโทออกกันแล้วเวลามันมีความคิดกำลังแทรกก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าคิดมากก็พุโทโธรไปเลยอย่างเดียวสู้กับความคิดจนกทั่งมันเหนื่อยมันหยุดคิดแล้วเราก็มาดูลมหายใจอย่างเดียวไม่มีนะพูดเข้าโทออกในพระไตรปิฎก มีแต่พุทธนุสติหรืออนาปนาสติอย่างใดอย่างหนึ่ยงยงมีคนมามาแปลงมันให้เป็นพุดธเข้าโทรออกกันแล้วมันก็อาจจะได้สําหรับคนบางคนพุดธเข้าโทรออกก็จิตของเขามันนิ่งอยู่แล้วไม่คิดพุดธเข้าโทรออกก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าคิดปุงแต่งมากๆพุดธเข้าโทรออกมันก็ทาหยุดความคิดตรุงแต่งไม่ได้ ันนี้เหมือนเขาใช้สองอย่างคู่กันรู้ป่ะเจ้าคะพุทธคากับอาณาปานมาผสมกันก็แล้วแต่จะใช่อย่างไหนก็ได้โดยหลักข้อสำคัญก็คือให้มันเกิดผลก็แล้วกันผลก็คือความสงบรวมเหตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอ ก, กตารวมเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ามไม่มีความคิดรู้แต่ ชอบเดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่แต่ถ้าตั้งใจมา ก, มาก็จะเลี่ยงไปเลยอเขาเรียกนิวรณ์ถ้าไม่พุงสร้างก็ง่วงเหงาหงาวนอนเขาต้องแก้ด้วยวิธีต่างๆเรอยู่ที่นาที่เปลี่ยวที่น่าเกลียมันก็ไม่ง่วงอดข้าวอาหารมันก็ไม่ง่วงแต่ถ้าตั้งใจที่อดรบตัวผอม ไม่กลัวอ้วนนะกลัวอื่นอ้วนเหมือนอันเป็นอันตรายผับผองแบบันแตกลัวมันอ้วนแล้วคำดันก็มาละเบาหวานก็มาลคลายเลือดคลมันอุดตันก็มาละคิเลยะ เขายังรักกิเลสมากกว่ารักธรรม่ค่อยรัก <c oughs> อะไรไ้มหนูฟังเข้าใจไหมเข้าใจ ท, <tornado. c oughs> ทำได้ั้ยทำใจได้ไหมพยายามนั่งสมาธิมากๆกันแล้วกันให้ใจสงบไป <Mon. S 2> <ข> อ, อย่าไปคิด ที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากทำบุญแล้วเอาเงย่อนอย่างถ้าหนูอยู่ที่นี่อยูก็อยากไปเรื่อยๆใช่หย่อไปเรื่อยๆพอมีโอกาสได้ทำบุญที่ไหนก็ทำไปที่ที่ทีุ่นก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะทำบุญที่ไหนก็ได้ถึงเวลาหรือว่าถ้าหนูเวลาหนูกลับมาอีหนูก็เอาเงินที่หนูยอแล้วหนูมาแรกแล้วก็มาทำบุญเก็ทบุญกับใครก็ได้กับพ่อกับแม่ก็เป็นบุญเหมือนกันก็บางทีวางจังหวะ หนูก็อยากไปวัดบ้านแต่ว่าที่นูอนอ่นหนูก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเออเราก็ทําบุญที่บ้านไปก่อนเอาเงินใส่กระปุกไว้ก่อนเดี๋ยวใส่บัญชีเขียไ น, น, น, นไว้ก่อนว่าวันนี้ทําบุญกี่บาทเขียนไว้นำโยมยอดไว้เวลาทำแล้วใจก็มีความสุขแล้วต้องทําจริงๆไม่ใช่ทำเล่นๆ พอถึงเวลาก็เอาเงินที่ทําบุญนี้ไปซื้อเครื่องเดี๋ยวอยากแกระปุกเยอะๆเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นของสวยๆงามๆก็อขอเอาไปซื้อก่อนขอยืมก่อนนะไม่ได้นะถ้าเป็นของทําบุญแล้วต้องให้มันขาดจากจากใจเราเลยต้องไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วก็คือวันถ้าถึงวันที่หนูหยอดออกไปแล้วก็หมดเสร็แล้วในอันนั้นเงินไม่ใช่ของเราครับมันหายไปก็ไม่ต้องไม่ต้องไปวิตกกังวลถือว่าไม่ใช่ของเรา ทำบุญผู้ตัดความยึดติดความหวงในเงินทองนี้ตัดทางเดินของกิเลสที่ยามเงินนี้ไปไปเลี้ยงกิเลสนะสกัดมันไว้เมื่อพอกิเลสมันน้อยลงใจก็จะมีความสุขมากขึ้นที่เราทําบุญแลมีความสุขเพราะว่าเราตัดกิเลสกันทำแล้วใจเรากิเลสเบาลงความอยากน้อยลง ทำไปเรื่อยๆจิตใจก็จะไม่ก็อยากจะไปเที่ยวไม่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะมันไม่ได้ความสุขเหมือนกับการทำํำบุญมันได้สุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้ใช้เงินตอนที่ได้ของมาพอได้มาแล้วมันก็หมดความหมายแล้วของชิ้นนั้นกลับเป็นเป็นเป็นเหตุของความทุกข์แล้วเพราะต้องคอยดูแลรักษาต้องห่วงต้องห่วงต้องเสียใจเวลาหายไป แต่ทำบุญแล้วมันไม่มีปัญหามันไม่มีความทุกข์ตามมาทําบุญแล้วต่อไปเราจะรักษาสิ่งได้เพราะคนทําบุญชไม่ชอบทําบาปนั่นเองคนที่ไม่ชอบทําบุญนี่นยังชอบทําบาปอยู่เพราะยังโลภอยูยังอยากได้ อ, อยู่เมื่ออยากได้ก็ต้องทําบาปบางเวลาถึงจะได้ในสิ่งที่อยากได้ บุญนี้เป็นเป็นรากฐานของความดีทั้งนั้นเป็นกอไก่ขอไข่ของการสร้างความดีต้องเริ่มที่การทำบุญก่อนให้ทานก่อนให้ทานใจเป็นบุญแล้วก็จะรักษาศินได้รักษาทิ้งได้ก็ใจก็จะสงบพอที่จะทำให้นั่งสมาธิได้ เราถ้าเราทาทานในที่แบบใจเราย่แบบระบุว่าอยากจะถวยายสังฆทานกับพระรูปนี้รูปนี้หมายถึงหนูศรัทธาหนูก็จะทำเฉพาะอยู่อย่างนี้ซ้ำๆอย่างนี้เจ้าค่ะคือการทำบุญนี้ท่านมีแสดงว่าลักษณะทําทืาทําบุญเจาะจงกับทำบุญไม่เจาะจงการทำบุญเจาะจงก็เพราะว่าเราต้องการสิ่งอื่นนอกจากบุญ เมือ e: น, นกับเวลาเราไปซื้อของตามร้านบางแห่งเราเลือกร้านนั้นเพราะเขามีของแจกของแถมเราต้องการของแจกของแถมด้วยนอกจากของที่เราต้องการซื้อแล้วเราก็ต้องไปเลือกร้านที่เขามีของแจกของแถมการทำบุญเจาะจงกับพระรูเหนึ่งรูปใดเพราะเราต้องการของแถมจากท่านก็คือธรรมะอย่างนี้เราก็ต้องเลือกพระที่เราจะทำบุญด้วยเพราะท่านบอกอ น, นิสงส์ทำบุญกับพระที่เราเลือกนี่จะต่างกัน เป็นพระธรรมดาจะได้หนึ่งเท่าพระพระบรรลุเป็นพระสวัสดิบาลนี้จะได้สิบเท่าพระสกิริยาคารีได้ร้อยเท่าพระอนาคามีได้พันเท่าพระอรหันได้หมื่นเท่าพระพุทธเจ้าพระปิจิครพุทธเจ้าได้แสนเท่าพระอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ล้านเท่าเพราะธรรมะที่ท่านให้กับเรานี้มีมีความความหนักความมากต่างกัน ฟังธรรมจากผู้เจ้ า, าจะบรรลุเป็นพระอนันต์ได้เลยฟังธรรมจากพระโสดาบันก็ได้เพียงแค่ขั้นโสดาบันอันนี้ต้องเจาะจงเลือกเอาส่วนการไม่เจาะจงไม่เลือกก็คือให้ถวายเป็นส่วนกลาสงสงคือถวายไปให้กับวัดไปอย่างวัดป่านี้ของที่ถวายนี้จะเป็นเป็นส่วนกลางส่งอย่างวัดที่หลวงตา ของที่ถวายให้หนูตานีท่านก็จะให้พาดจัดการเอาเข้าไปจัดการแจกจ่ายหรือเก็บไว้ในส่วนกลางเวลาขาดเนื้อใครขาดเนื้ออะไรใครต้องการสบู่ยาสีฟันแป๊บก็ไปหยิบเอาได้เมื่อให้ถือเป็นสมบัติส่วนตัวอันนี้ก็เรียกว่าถวายแบบไม่เจาะจงเรียกว่าสังฆทานถ้าเจาะจงเขาเรียกบุคลิกทานเจาะจงต่อบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็เรียกบุคลิกทานถ้าให้เป็นของกลางของส่วน ส่วนการสงไม่นนเจาะจงก็เป็นสังฆทานก็ถวายได้สองรูปแบบพระเจ้าก็สงสอนให้ทำทั้งสองรูปแบบเช็นตอนที่เสด็จไปไปโปรดที่พระราชในพระราชวังก็นี้พระผ้ามารดาเลี้ยงท่านอุตสาตัดเย็บจีวรมาถวายแดบบ่พระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ทรงรับสามถวายสามครั้งก็ไม่รับองบอกให้ไปถวายเป็นสังฆทาน เพราะพรพุทธองค์มีจีวร อ, อยู่แล้วไว้ทวารให้เป็นของสงและให้สงพิจารณาว่าใครขาดแคลนให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนไปเพราะสง์ศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องมีสง์ไม่ได้อยู่ด้วยพระพุทธเจ้าเพราะพอล พ, พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วถ้าไม่มีไม่มีคณะสงพราะพุทธศาสนาก็หมดตรงนั้นหมดตรงที่พระพุทธเจ้าแต่ถ้ายังมีพระสงฆ์อยู่พระสงฆ์ก็ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อ เนี่ยเราก็ต้องทําทั้งสองอย่างถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีมีธรรมะแจกจ่ายให้กับลูกเราแล้วเราก็ถวายให้เป็นสังฆทานด้วยเพื่อท่านจะได้เลี้ยงดูลูกศรริษย์ลูกหาพระเนรที่อยู่ในวัด<ม>ก็เป็นอย่างนี้แต่สังฆทานที่เราเห็นที่เราถวายกันส่วนใหญ่นี้มันไม่ได้เป็นสังฆทานเรานิมนต์พระมารับกระแป้งกันนี้ของใครของมันไป ท่านก็ให้กับกุติเป็นของท่านไปใช่แล้วก็สังฆฐานก็ไม่แนงพาว่าต้องมีกระแปงแปง้งเหลืองเ่ะของนี้นส่วนใหญ่ก็เป็นของที่มันช่ำา้าแล้วก็ไม่มีคุณภาพเพราะทำเพื่อขาค่ากำไรเราจะซื้อของถอยพลาดาคนไปจัดซื้อนี้เราซื้อของมาใช้เราเองดีกว่า ก็ของใช้ของท่านก็เหมือนของเราส่วนใหญ่ก็ส บ, บู่ยาซีฟันแปรงซีฟันเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆอย่างของที่นี่ก็เป็นของสงฆ์หมดพวเราแล้วก็พิจารณาบางอย่างที่เราต้องการใช้เราก็เก็บไว้ที่เหลือเราก็ให้พระท่านไปไปดูแลกันต่อไปแบ่งปันกันถ้าเหลือก็ไปสงเคราะโลกต่อ ที่นี่เราก็สงเคราะห์โรงเรียนสำเร็จก็สังขราชมีนักเรียนอยู่ประมาณร้อยยี่สิบคนนักนักเรียนกินนอนอยู่ฟรีกินฟรีมอหนึ่งถึงมอสามก็มีสักของใช้ไม่สอยเราที่พระไม่ใช้แเราก็ให้โรงเรียนเข้ามารับไปถ้ามันยัได้ทำสองอย่าง อ, างอด้ทำ ส, สองอย่างเราได้เด้งเดียว หนูทําแล้วก็หมดแล้วคนที่ไปทําต่อเขาได้เดง <laughs> คนที่ไม่ท่าถ้าท้ <laughs> าไม่ไปทําท้าก็ไม่ได้อแต่หนูได้เด้งเดียว <laughs> ถ้าอยากได้สองเด้งก็ไปทําที่โรงเรียนอีก <laughs> ถ้าอยนั้ต้องไปซื้ออีกชุดหนึ่งแล้วก็ไปที่โรงเรียนถึงจะได้สองเด้ง <laughs> อยา่าเข้าใจผิดตรงเข้าใจผิดกัน ของที่เราถวายไปนี้ไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของคนที่เขารักไปแล้วใครเข้าไปทําเขาก็ได้ดินแต่เราไม่ได้จากเขาหมายถึงสองอย่างคือสังฆทานกับบุคเลิสทานวันนีต้องไหมอ๋อหมายถึงันงานทั้งสองอย่างใช่ไหมต้องเจาะจงได้ฟังธรรมด้วยก็ดีถ้าไปวัดต่าตัวไหนก็จะได้ทั้งสองอย่าง ถ้าสาบาปทา้าตันที่บินนาบาปก็จะได้อย่างเดียวได้บุญ ก, กุิลกัานหรือไปตามวัดที่ไปถวายสังฆทาเนเสร็จให้พรเสร็จก็กลับกันนั้นก็ได้อย่างเดียวได้บุญ ก, กุิลกาตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้ทําเนะไม่ได้ฟันทำํำทำนี่มีเป็นบุญที่สูงกว่าบุญที่ได้จากการให้ทาน เป็นขั้นที่สามปัญญาถ้าเป็นชั้นก็เป็นชั้นระดับอุดมศึกษาส่วนทาง น, นี้ระดับอนุบาลต้องพยายามหมั่นฟังธรรมอยู่เรื่อยๆไปทําบุญที่ไหนก็ต้องไปทําที่มีการแสดงธรรมจะได้สังเดเคนะ เมื่อเชาหนูไปวัดบุญญาวาสนาแล้วก็มาวัดตาอัมพวันแล้วก็มาที่บางที่ก็วันนี้เช้าว่าอาจารย์ไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ก็ไปบ่อยไไปพอมีเวลาก็จะไปมีใครรอดนอนไปที่นั่นตอนต้นทุญญาวาสนาก็หนูรู้จักมาเพื่อนกาลยายนามิตร แนะนำเจ้าค่ะก็ลองไปกันแล้วบรรยากาศก็เป็นป่าป่าก็สงบดีเจ้าค่ะล้วเคยไปพักทอนานด้วยเจ้าค่ะก็จะเป็นกุฏิแยกหลังๆเป็นแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าเจ้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าสงบพอสมควรเจ้าค่ะตอนานดีไหมสำหรับหนูมันอยู่ที่ตัวหนูไม่ค่อยดีเองเจ้าค่ะเป็สถานที่ดีมากเจ้าค่ะ ประเดี๋ยคนจะไปบ่อยๆของนี้ต้องบังคับใจถ้าเราเอาเอารมณ์มันจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ต้องบังคับต้องตีตารางไว้ว่าอย่างน้อยเดินละครั้งแล้วตอบมัก็เดินละสองครั้งเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจ ะ, จะเริ่มจเจริญก้าวหน้าเลยถ้าเราไม่ไม บ, บังคับไ ม, ไม่ไม่ดนมันมันก็จะไม่ก้าวไปข้างหน้า มักจะยืน อ, อยู่กับที่ถ้าได้ที่ไหนดีแล้วก็ควรที่จะไปบ่อยๆ อ, อย่าไปเห็นอะไรสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติการปฏิบัตินี้เป็นเป็นงานที่ให้เป็นงานที่ให้ผลกับเราเต็มร้อยเึ้นของเราเต็มร้อยคือใจเป็นของใจเต็มร้อยงานยังอืงอ่นเป็นของร่างกายมันก็แค่ชั่วคราว พ่าร่างกายตายไปงานงานนั้นก็หมดความหมายไปผลงานเหล่านั้นก็ไม่เป็นประโยชน์อะไ ร, รต่อไปต้องทำเพื่อใจอย่างเดียวทําให้มากถ้าต่อไปเราจะไม่เศร้าโศกเสีขข ย, ยใจกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามเกิดขึ้นกับคนอื่นไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะรู้สึกเฉยอื ไม่สะทกสะท้าไม่หวันว่นไหวเนี่พอนีงพอนะนองนองคนนี้เกาผ่าคือเขาคนเจานะคะ <c oughs> กลับด้ตามมีคลิกกันนะคะเปลี่ยนทุกอย่างโหก็แค่แย่เลยก็มีความที่อยากไปจัดการใหฆ่าที่หนีคนนั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ความที่เขาอ่านหนังสือนอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเขาทสติเขาก็เลยไม่ไม่ได้ไปทาร้ายที่หนีั้แต่ก็ยังทาใจไม่ได้เท่าไหร่เมยาอาจารย์าาอ่านประวัติของปู่เขาเลยปู่ขาอ่านปรติข่า าทเภรรยาท่านก็มีชู้ท่านก็อยากจะฆ่าเขาตอดีท่านได้สติท่านบอกถ้าฆ่าเขาท่านก็เลวกว่าเขาท่านก็เลยบอเห็นโทษของการยึดติดความขอ ง, งหึงหวง<อ>ท่านก็เลยตัดว่าไม่เอาอแล้วต่อไปนี้จะไม่หาความสุขกับร่างกายของคนอื่นแล้วไปตามทางที่ยุติธรรมดยกว่าวท่านก็เลยประกาศยกภรรยายให้กับชู้ไปเลย ทำบุญนันยิ่งใหญ่เลยถ้าอยากจะทำบุญนันยิ่งใหญ่ว่าเขายกสามีให้เขาไปเลยเแล้วก็จะมีความสุขมากแล้วจะมีอิสระภาพไม่ต้องมาขออนุญาตจะไปทำอะไรก็ไม่ต้องมาขออนุญาตสามีตอนนี้เป็นทาสสามีเป็นกรรมสามีเลิกสามีก็ไปยอมเลยเขาเลือกเขาเลือกหญิงนะสามีบอก เ, อกเลือกเขาอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ พอดีขึ้นได้สักอาทิตย์ก็จับได้ไปไปต่อกันอีกอะไรก็แลยเอาทั้งเอาทั้งขึ้นทั้งล่องนักพี่ดน้อยอาารทั้งสองเจ็บตายเจ็บตาพี่เจ็เราะเราตัดก็ไม่ขาดเองงั้นถ้าเราจะตัดสักอย่างเราก็ตัดไปนี้อยู่เป็นคนละบ้านแยกกันอยู่เราจะเลิกไม่เลิกเราก็เลิกกับเขาสักอย่างากเ็เขามีชู้เราก็ไปฟ้องศาลเลิกได้ ใจเรามันอ่อนเองใจเรายังต้องเป็นแบบหลวงปู่ขาวยกให้เขาไปเลย <laughs> ลเราไปบวชทีที่เขาสนอยู่แล้ว